แสดงว่าคราวาสนี้เป็นอะไรนะผู้การว่าไงนะคับแคบอ่ะเขาบอกโอ้คับแคบยิ่งกว่าคับแคบพระเจ้าข่ามันไงอุบาสกคนหนึ่งเขาบอกงั้นคับแคบยิ่งกว่าคับแคบจย่างนิดได้นะเบ้อเลยนะสาธยายก็ยังชั่วหน่อยไหมยังพอมีเสียงคลอกคลอบังเอาให้มันได้สักเนี่ยหนึ่งฟังสอง แสดง 3, สามสาธยาสี่ตรึกห้าเจริญกรรมฐานให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะหน้าเห็นไหมอย่าไปเกี่ยงนักเลยนะให้มีบ้างอ่ะใช้ได้แล้วันจากโซเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่นะก็ไล่ดูนะทุกทวารเนี่ยนะมันซ้อมๆไล่ดนะูเพราะพระราหุนท่านคิดอย่างนี้แหละท่านเป็นบ้าอรหรันต์นะนะข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะพูดถึงพระราหุนที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ถามอย่างนี้แหละ ราหุนก็ใคร่ควรตามอย่างนี้แหละท่านบรรลุเป็นพระรหันต์นั่นนะเทวดาอีกหลายพันบรรลุเลยนี่นะของเราถ้าใคร่ควญตามท่านมันก็น่าจะมีเอี่ยวอยู่ด้วยนะคือมีส่วนอยู่ด้วยแหละสำคัญว่าให้ให้ใ ห, ให้น้อมจิตเพื่อที่จะเจริญแบบนั้นนะ่ะนะก็ตามสูตรนะก็รู้กันนะนะถ้าผู้ที่เจริญอย่างนี้มากๆก็ย่อมนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกําหนัดก็หลุดพ้นนะ่ะนะนี่ก็พานอีกสบายมาก มันขึ้นวักใหม่เลยนะี่ยปฐมมิฆชะละสูตรเนี่ยนะนะว่าพูดถึงผู้ที่อยู่ผู้เดียวนะนะแต่ถ้าทุติโยนะี่มีเพื่อนสองนี่แปลว่ามีอทุติโยนี่นะตัณหาเป็นเพื่อนสองนะแต่ถ้านี้ลองผู้เดียวดูนะขอบเขตแค่ไหนถ้าผู้เดียวตรงนี้หมายถึงกายวิเวกก่อนนะอันกายวิเวกมันก็ต้องไปเพื่อจิตวิเวกและ อุปที่วิเวกไม่ใช่ว่ากายวิเวกแต่ตันหานีิเติมไปหมดเลยอย่างงี้ยนะนั่งอยู่คนเดียวนะเพื่อนมาเยี่ยมตั้งสี่สามสี่สิบคนนี้ก็ไม่ไหวเลยไปเยี่ยมเพื่อนมั่งเพื่อนมาเยี่ยมมั่งอ่ะนั่งอยู่คนเดียวนั่นแหลออมมอนนะอันนี้เขาเรียกคนนี้พวกนี้ไม่วิเวกอะไรหรอกเนี่ย น, นะเกลื่อนกล่ น, ลนมากพวกเยอะเนี่ยนะ ครั้งนั้นแล่ท่านมิฆชาระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวชนนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้าภิกษุจึงเชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวจริงๆนะ มันจะอยู่คนเดียวแล้วแหมแหมร้องเพลงไม่ปากขมุบขมิบอยู่ทั้งวันอันนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวอะไรนะอันนี้เพื่อนมากคำว่าพูดเดียวจริงๆเนี่ยขอบเขตแค่ไหนเหมือนกันด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงเชื่อว่าอยู่ด้วยเพื่อนนะแค่ไหนจึงเรียกว่าอยู่คนเดียวแค่ไหนจึงจะเรียกว่าอยู่กับเพื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมิขเชละ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสกอันหน้าปราธนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน่ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้อง ดูก่อนมิชาละภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนเนี่ยในคนนี้ไม่เงานะมีเพื่อนอยู่ด้วยเลยนะก็ชั้นแรกก่อนค่ะสีเนี่ยตัวสีนั้นน่ะน้าปรารถนาเห็นไหมสีสีที่หน้าปรารถนาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอีกคนหนึ่งปรารถนาชอบสีเขียวอีกคนหนึ่งชอบสีขาวอ่ะแต่ว่าสรุปสรุปก็คือชอบสีเห็นไหมนุ่งชอบสีอะไรเนะี่ย สีกาสาวพัฒนะเขาชอบอยู่สีกาสาวพัฒน์อะนะแต่ไม่เห็นเอาไปนุ่งสักทีเลยบอกว่าชอบเลยแล้ว ก, ก็สรุปว่าสีที่น่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจอะนะสีที่ตัวเองคิดถึงนั่นแหละที่ที่ตัวเองฝ่ายฝันทีนี้ถ้าหากว่าหมกมุ่นครุ่นคิดในสิ่งเหล่านั้นมากมากอะนะคิดถึงสีนั้นนั้นอนะเช่นจะสีอะไรก็ช่างเถอะนะทั้งสีบางคนเนี่ยอาจจะ คิดถึงสิ่งที่มีชีวิตบางคนก็คิดถึงสีที่ไม่มีชีวิตอ่ะนะเช่นแม้กระทั่งสีของดอกไม้ก็เรียกว่าสีเหมือนกันหรือภาพจิตตะกรนจิตตรกำภาพอะไรทั้งหลายแหละในโลกนี่ะนะขอให้เป็นเนี่ยใช้รียกว่าคนมีตาเห็นได้อ่ะนะทั้งหมดที่ลืมตาดูอ่ะเรียกว่าสีทั้งหมดนั่นแหละแต่ก็ดูเอาว่าใครคิดถึงสีอะไรมากกว่ากันก็ว่ากันไปทีถ้าผู้ที่ยินดีในรูปนั้นเนี่ยนะก็หมกมุ่นกับรูปนั้นคําว่าหมกมุ่นแปลว่าเอารูปนั้นมาคิดถึงบ่อยๆ มาวิตกกะถึงร like. ูปน uh uh uh uh uh totally> uh ั้นบ uh ่อยๆอันนี้เป็นการมวิตตกนะก็การมวิตกเป็นต้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่การมวิตกมากๆอย่างนี้ก็อะไรเกิดเพลิดเพลินก็เกิดความกำหนัดก็เกิดเมื่อกำหนัดก็เกี่ยวข้องนะความเกี่ยวข้องนั้นมันก่อนพูดอะไรบางหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยการเห็นก่อนใช่ไหมก็อยากจะไปดูบ่อยๆนะคิดถึงสีไหนมากก็อยากจะเห็นสีนั้นบ่อยๆอันนี้ก็คลุกคลีด้วยการดูก่อน อย่างที่สองนะถ้าบางอย่างนะสีอันนั้นมีเสียงมาด้วยก็อยากจะคลุกคลีด้วยการฟังอีกเนี่ยนะอยากคลุกคลีด้วยการพูดคุยอีกเนี่ยนะก็อยากคลุกคลีด้วยการคำนวณว่าสัมโพคะแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นคลุกคลีมากกว่านั้นนี่ ก, ก็จับต้องกันนะเพราะมันไม่มีเกินกว่า น, นี้อีกแล้วมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะก็เหลือแค่จับต้องแคนะ่นั้นแหะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าความเกี่ยวขอ้องขั้นพูดกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรียกว่าคนมีเพื่อนเนี่ยนะ นี่ไม่เหงาแล้วนะ <c oughs> ทวารหูก็เหมือนกันนะว่าเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยโสดคือรู้แจ้งด้วยหูเนี่ยนะอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นเสียงนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นเสียงนั้นอยู่ ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อเกิดความเพลิดเพลินก็มีความกำนังกล้าเมื่อมีความกำนังกล้าก็มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิกระชัละภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนอ น, นะไอ้คำว่าเสียงอันนี้นะก็ฟังเสียงที่น่าปรารถนานะมีเพลงไหนบอกปุ๊บฟังปั๊บพอใจเลยนะพอพอฟังเพลงที่แหมตัวเองพอใจมากนะเป็นไงคิดถึงอันนั้นบ่อยๆใช่ไหม พอคิดถึงบ่อยๆนะทำไงร้องเพลงเลยนะเพราะอย่างน้อยก็ร้องในใจก่อนะนะถ้าไม่มีอย่างอื่นมาห่วงห้ามก็ล่วงมาทางมาจาร้องลำตะย์ใหญ่เลยนะฉะนั้นก็เนี่ยคนที่ร้องเพลงในใจบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่เหงาเหมือนกันมีเพื่อนอยู่ด้วยนะอันนั้นคือเพื่อนคือตันหานะไม่ใช่ที่ไหนหรอกนนเน้นตันหาอันนั้นกลิ่นก็เหมือนกันนะรสก็เหมือนกันเนี่ยนะโธพธิภะก็เหมือนกัน คือเน้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอะนะเพราะนี้กาลังพูดถึงตันหาอยู่ตันหาจะชอบเป็นอชอบในปียรูปสาตรูปนี่มาขึ้นธรรมอารมณ์บ้างว่าธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่นะอันนี้ก็คือรวมทั้งเรื่องราวคิดถึงจิตเจตสิกคิดถึง สิ่งที่ไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสโพธพภะนะนะคำว่าธรรมารมณ์คือไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธพภะที่เหลือจากสีเสียงกลิ่นรสโพธพภะเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดถึงอารมณ์เหล่านั้นที่น่าปรารถนาะหน้าใคร้หน้าพอใจอย่า น, นีอาศัยความใคร่ที่ตั้งอยู่ด้วยความกําหนังมีอยู่ถ้ายินดีกล่าวสรรเสริญก็หมกมุ่นใน อารมณ์นั้นน่ะนะในธรรมอารมณ์นั้นน่ะฉะนั้นเมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นกับธรรมอารมณ์นั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลิเพลนเมื่อเกิดความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิคาชาละพิสูผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนอันนี้ก็คือมีเพื่อนละ น, นัะเราวันหนึ่งนะถามดูว่ารเราจริงอยู่คนเดียวมากหรืออยู่กับเพื่อนมาก การนิดเงาไหมเพื่อนเยอะเลยในในนี้ไม่ค่อยเงาเลยนะคิดถึงสีบ้างคิดถึงเสียงบ้างคิดถึงกลิ่นบ้างคิดถึงรสบ้างคิดถึงอาหารรถอร่อยอร่อยบ้างคิดถึงโภตาภบ้างคิดถึงเรื่องที่ตัวเองชอบบ้างวกนี้ไม่เงาถ้าคิดถึงสีเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์เอคิดถึงสีมันก็คิดถึงสีสิไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมอารมณ์สีก็คือสีไม่ใช่ธรรมอารมณ์เสียงก็คือเสียงไม่ใช่ธรรมอารมณ์ คิดถึงบอกไม่ปรากฏได้ยังไงคือคำว่าปรากฏเนี่ยนั้นเนี่ยนะจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามมันก็สีวันยังเข้มนั่นแหละขอให้มันเป็นรูปายตนาเนะี่ยคือรูปารมเนี่ยมันจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันก็คือรูปารมอะ่ะมันจะเป็นธรรมารลมไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> สีก็คือสีเพราะสีมเป็นทั้งอดีตเป็นทั้งอนาคตและเป็นทั้งปัจจุบันใช่ไหม อ <c oughs> เอ า, เากิเลสนะว่าว่าให้ตรงๆเลยไหมเราคิดถึงสีหรืออหรือคิดถึงอย่างอื่นก็คิดถึงสีเมื่อคิดถึงสีอนะอันนั้นแหละก็เป็นรูปรูปารมณ์คือใจเนี่ยนะมันใจเนี่ยมันโบยบินไปรับรู้ได้ทุกอารมณ์อยู่แล้วขีดความสามารถมันสูงมากอั น, นั้นทวารใจนะ ถ้าทวารตามันแคบมันรู้ได้แค่สีอ่านะถ้าตานะตัวจักขคู่ภาษาท่ามันแคบมากมันไม่ค่อยฉลาดหรอกมันรู้ได้แค่สีทวารนี่นะมันเปิดแคบทวารหูมันก็เปิดแคบรู้ได้แค่เสียงทวารจมูกมันก็เปิดแคบรู้ได้แค่กลิ่นทวารลิ้นมันก็เปิดรับได้แค่รสทวารกายรับได้แค่โผตาพระทวารใจอะไรมั่งมันไม่รู้อ่มันรับรู้ได้หมดแหละนั่นนะมันก็แล้วแต่นึกขึ้นอ่ะนะ ตอนแ้วแต่นึกขึ้นนึกขึ้่อนก็รู้แล้วนี่นะเธอคาว่ารูปารม์เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใช้จักขู่ไปตามดูตลอดนี่นะใช่ไหมไม่ต้องใช้จกักขูไปตามดูตลอดนี่นะว่าดูครั้งเดียวนี่ก็ติดตาเป็นเดือนแล้วมีไหมคุณมิโชขนาดนั้นติดนานมากเลยดูครั้งเดียวนี่นะโอ้โหไม่ลืมเลยอ่ะ ถนะามผู้การเดอดูครั้งเดียวก็พอแล้วนะติดนานเลยอ่ะก็เสียเวลาเราไม่ทําใจเราไมบันดัง่เาคยดีเสียงระเบิดเนี่ยเราไม่รูเสียงคู่ระเบิดเนี่ยเราเราจได้รุอยอืมท้ใจคือรู้รู้เออเสียงทัใจรู้ได้หมดนะทาวารใจนะ คืออย่างอย่างแบบพูดแบบสูงสุดเลยนะแบบอภินญาเนี่ยไม่ได้ใช้หูจริงๆฟังนะอย่างพวกอภินญาทั้งหลายแหละเนี่ยก็ ถ, ถ้าสมมุติถ้าเราคิดถึงคนที่เราคุ้นเคยกันนะคุยกันบ่อยๆเนะยนึกถึงคําของเขามันมันก็เหมือนกับตอนฟังเลยนะมันแทบไม่ได้มีความต่างอะไรกันนะคาชมหรือคําชังอะไรก็ตามเถอะนะ ที่เราฟังบ่อยๆนะนึกป๊มันก็เหมือนๆกันนั่นแหละไม่ได้มีความต่างกันแต่ความชัดเจนมันก็มันก็ไม่เหมือนตาอยู่แล้วแต่ถ้าผู้มีปัญญาเนี่ยเขาใคร่ครวนอะ่ะไม่ได้ใคร่ครวนเพื่อให้มันชัดแบบนี้แต่ใคร่ครวนถึงอะไรว่าเออสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากปัจจัยนะไม่ได้มีสาระเลยเขาเน้นจะไปพิจารณาแบบนั้นต่อไปเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าไอ้ถ้าเป็นพวกสายกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดถึง หลังจากคิดถึงอะไรเกิดก็เพลิดเพลินพอเพลิดเพลินมันก็อยากเกี่ยวข้องไงที่มาของเพื่อทัศนะสังสักคะสวนะสังสักคะสมุละเนี่ยนะก็คืออยากพูดด้วยะนะแล้วก็ลงลึกไปอีกเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ อ, ยอันนี้ถ้าสายเพลิดเพลินแต่ถ้าสายวิปัสนาเนี่ยนะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องแมมไปตามดูพวกนั้นอยู่ตลอดนะ ม, มันต้องใจพูดจนกิ่งหลีบบางคนเลื คุณต้องต้องยกมือก่อนไม่ได้ยกมือพอาะครับคือคุณต้องใจพูดถึงยิงเร็นะผมก็เลยเดิขึ้นได้ว่ายิงเร็มันไม่ได้ร้องเสียงของมันมันเอาปีกมัสีแล้วเกิดเสียงเคยอ่านเจอในหนังสือพวามิมันไม่ได้ร้องมันเอาปีกมัสีกันปีกแข็งๆกันมันสีกัแล้วเกิดเป็นเสียงออกมาเคยอ่านเจอในหนังสือมันก็แปลกดิมันไม่ได้ร้องมันเอาปีกมานสีกันแล้วเป็นเสียงออกมาไม่รู้ของมาไม่รู้ขนาดนั้น เสียงคนมันมีสายเสียงอยู่ตรงคออนเดียเต็มเต็มหยอดเส้นเต็เส้นตุงหยอดปีกิ้งลีปีกิ้งลีอย่างนึ่งปีกิงลถ้าลงไปฐานมันมันมัเส้นเสียงอยู่ในคอเนี่ยเป็นเส้นเอาใปไหมนะหมาพูตรูกเจอจากหมาพูตรูกคนทั้งหดเลยแต่คอเนี่ยมันเกิดจากฐานของหมาพูตลูกปีกิ้งลีมันแค่ปีกมันมันมันมันแรงเหมือนกันครับ มันเต่าใบไมนะ้อะนะเต่าใบไม้ยังมีเสียงเลยดูก่อนมิคาชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้คือคนที่คิดถึงรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นที่ตัวเองพอใจเนี่ยนะรสที่ตัวเองปรารถนาโพธภาพที่ตัวเองต้องการธรรมรมณ์ที่ตัวเองพอใจเนี่ยนะ ถ, นรรนยนะถึงจะเสพเส น, สนาสนะอันสงัดป่าไม้ป่าหญ้า เงียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากกลิ่นอายควรเป็นที่ประกอบงานรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นยังมีตันหาเป็นเพื่อนเขายังละตันหานั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้อยู่บ้านคนเดียวนี้ก็ไม่เหงาเลยนะเพื่อนอยู่ด้วยตั้งหลายคนนะนะพวกนี้ก็เรียกว่ามีเพื่อนกันตลอดล่ะ นี่ขับรถกว่าจะถึงบ้านนะกี่เพื่อนก็ไม่รู้เนาะคุยไม่รู้กับกีบก่คนต่อกี่คนเนี่ยนะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะนอนอี่กันนะโอ้โหไม่รู้เกี่ยวข้องกับอีกกี่คนตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งโอโห้หลายคนมากมานาะอันนะเฉพาะที่เป็นคนนะที่ไม่ใช่คนอีกนะเยอะแยะไปหมดเลยนะพวกนี้ไม่เหงาอยู่แล้วนะมีเพื่อนเยอะทั้นถึงจะอยู่โดยโดยโวหารชาวโลกเรียกว่าอยู่คนเดียวแต่คนนั้นก็เรียกว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะนะเพราะว่าตันหาเป็นเพื่อนสองของศาสทั้งหลายเนี่ยนะ ก็บอกว่าอย่าว่าโยมเลยอนะพระนั่งคิดแบบนี้ก็เรียกว่าอยู่กับเพื่อนันั้นแหละแต่ว่าโยมเลยพอกันหมดอะถ้าถ้าลักษณะพฤติกรรมเหมือนกันอะนะในแง่ของทวารความคิดอะนะถ้ายังคิดถึงสีถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงโพธาพระถึงธรรมารมห์ที่ตัวเองปรารถนาพอใจน่าใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดอะนะพวกนี้ก็ไม่เหงาเหมือนกันอยู่กับเพื่อนไม่ใช่เหงาก็คือวิเวกอะนะไม่ใช่วิเวกเลยอะคลุกคลีมากกันนะ ดูก่อนมิคชาละรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักอาศัยความไข่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นเมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่ความเพลิดเพลินย่อมดับเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิกชาละ พิสูจผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวนะต้องรูปนั้นต้องรูปเป็นรูปที่ตัวเองพอใจมากเลยนะสีก่อนนะตัวสีเนี่ยเป็นที่หน้าพอใจมากแต่ว่าไม่ยินดีคิดยังไงจึงกับสีที่น่าพอใจแล้วไม่ยินดีอันนั้นแหละคือเรียกว่าการเจริญสมถาวรวิปัสสนาอันนะ แล้วก็ไม่ยินดีด้วยไม่สรเสริญด้วยไม่หมกงุ่นในในสีที่น่าปราถนานะคิดยังไงจึงจะได้แบบนั้นได้เอาอันนั้นแหละคือการเจริญส ม, มถวิปัสสนาเพรนั้นไม่ใช่ว่าไปเห็นไม่ไม่รับรู้อารมณ์นะก็รับรู้แต่รับรู้แบบไม่ยินดีอะ่ะรับรู้แบบไหนเอาอันนั้นแหละคือการคิดแบบวิปัสสนาเพราะปกตินะมันก็จะไหลไปด้วยอำนาจของตัณหาอยู่แล้วนะดังนั้นคิดยังไงจึงจะไม่มีตัณหาอย่างนัน คือถ้าเป็นรูปที่ตัวเองเนี่ยเพลิดเพลินเหมือนกันเถอะปกตินี่พอใจในรูปนั้นมากคือคิดยังไงอะโดยที่ตันหาไม่เกิดอันนั้นแหละคือการเจริญส ม, มถาวิปัสสนาคิดอารมณ์นั้นอยู่นะแต่คิดแล้วมันไม่เพลินอะ่ะเอาคิดยังไงเดีย๋ยนะสมมติถ้าเอาอย่างผู้การคิดถึงอะไรก็อยากที่ชอบมากเลยนะแล้วคิดถึงอารมณ์นั้นอยู่อะปกติก็ชอบสิ่งนี้มากคิดยังไงจะได้ไม่ชอบสิ่งนั้นออกนะ ใครเสนอแนะวิธีหน่อยแต่ต้องเป็นสิ่งที่ปกติชอบสิ่งนี้มากนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบอยู่แล้วนะอย่างนั้นก็ไม่อยากเลยเอาแบบแมที่ที่ชอบมากเลยนะใช่ไหมคิดถึงแล้วคิดคิดสิ่งนั้นอยู่แต่ตัดใจได้เอะตัดอะไรได้อย่างไงเอา ก, <c oughs> ก็ลักษณะที่คิดแล้วไม่ ไม่สมถะก็วิปัสนาถ้าเป็นสมถะก็หมายความว่า <ไป S 1> <ๆ>คือถ้าคิดลักษณะที่ที่ที่ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยคือคือคิดไปไปในเรื่องพูดอย่างกว้างๆเลยคือไม่สมถะก็วิปัสนาถ้าเป็นถ้าเป็นสมถะก็หมายความว่า ก็ตึกไปในเรื่องถ้าเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เกิดปัญหาก็ตึกไปในเรื่องอสุภามั่งตึกไปในเรื่องปฏิกูลมั่งตึกไปในเรื่องหาเลปฏิกูลมั่งถ้าตึกอย่างนี้ไม่รับรองไม่มีตัญหาแน่นอนหรือถ้าหากว่าตึกไปในไปในการทำปริญญาในขันท่าอายตนะก็ไม่ไม่ใช่ตึกเพราะว่าตัญหามานะที่ผีแน่นอนก็ในอารมณ์ที่ปกติแล้วน่าปรานามากนะ ใ น, ในอารมณ์ที่ ป, ปกติสมมุตินายยกตัวอย่างว่านึกถึงหน้าคนที่เราชอบมากเลยเอ่ะคิดยังไงโดยที่ไม่มีตันหาคิดยังไงโดยที่ไม่มีอวิชชาหรือคิดยังไงอ่ะโดยที่เหมือนกับว่าจิตมันถอยหลังกลับเอาแต่ไม่ใช่หมายเท่าว่าไปด่าไปทําให้โกรธในวัตถุนั้นไม่โกรธ ด, ด้วยเอาแต่ว่าจิตมันถอยหลังกลับได้เอ า, เอานะผมเคยตึกถึงหลานเพราะปู่าตายายเนี่ยเดินมากมาก็ชื่อนหลชื่อนใจกัหลาน ผมตึกมันว่ามันเป็นโครงกระดูกเล็กๆอันหนึ่งนะมันอยู่ที่หน้าวัดที่หน้าวัดเนี่ยครับ <c oughs> วัดเจดีย์หลวงเนี่ยเพราะว่าผมจําจําเขาได้ตอนเจอเขาตรง น, นั้นที่วันเย็นที่แล้วผมผมไปตึกะะอธิกสัญญาเลยน ะ, จะเจริญอธิการสัญญาโครงกระดูกเล็กๆยืนอยู่ใกล้ๆผมไม่ได้ตึดตรงนั้นนะห ม, <ต>มายว่าหลังจากนั้น่ะเวลาคิดถึงอะไรก็น้อมแบบเนี้ยผมผมลองดูเลยครับเราถามเหมือนคล้าๆอย่างนี้ ลเราติดอะไรเราชอบอะไรเมื่อกอนเนี่ยแล้วเราตึกยันนั้นเนี่ยนะถ้าตึกไปในเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ตึกไปในเรื่องสมถะก็มันก็ไม่มีมันไม่มีตันหาก็ขณะนั้นน่ะไม่มีตันหาอสมมติถ้าเราในแง่คิดถึงสีก่อนนะอย่างผู้การว่าก็คือเปลี่ยนสีจากสีของเป็นผิวพันธุ์เนี่ยนะมาเป็นสีนึกถึงโครงกระดูกแทนแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งอนะซึ่งเราก็เรียนกันบ่อยอยู่แล้วก็คือแตะโจเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยคิดถึงกันก็คือ ค, คิดถึงแต่โจเรียกว่าหนังสดเนี่ยนะหุ้มหมอะไรก็ว่าไปก็คือคิดถึงหนังสดเหมือนกันเถอะทีนี้ตัวจริงๆมันก็คือผิวหนังด้วยทีนี้ผิวหนังอะ่ะคิดยังไงโดยที่เป็นอสุภะหนึ่งโดยสีอันนะตัวผิวหนังจริงๆอะ่ะโดยปฏิกูลโดยสีสองถ้ามนสิการโดยกลิ่นมนสิการโดยสันธานสันธานก็คือถ้าลอกออกมาทั้งหมดจะเป็นยังไง แล้วก็ลองพลิกดูข้างหน้าข้างหลังในในในเหมือนกับดูกระดาษเนี่ยนะพลิกกระดาษเนี่ยดูไปข้างพลิกกลับไปกลับมานะดูอ่านะก็พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลหรือพิจารณาโดยความเป็นธาตุนะเช่นนึกถึงหน้าใครก็อกเออผิวหนังที่หุ้มอ่านะเนื้อเปาะหน้าไว้เนี่ยนะผิวหนังที่หุ้มหน้าหนังมันก็ไม่ได้รู้ว่ามันหุ้ ม, มเนื้อนะเนื้อมันก็ไม่รู้ว่าถูกหนังหุ้มอ่านะ แต่่วาถ้าแยกละเอียดลงไปกว่านั้นเองมันก็จะมีผิวหนังมันข้นขั้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าไปอันนอ้นผิวหน้ามันก็ไม่รู้ว่ามันหุ้มมันข้นเอาไว้มันข้นมันก็ไม่รู้ว่าถูกผิวหน้านี่หุ้มไว้แล้วมันข้นมันก็ไม่รู้ว่ามันหุ้มเนื้อนะเนื้อก็ไม่รู้ว่าถูกมันข้นนี่หุ้มเนื้อก็ไม่รู้ว่ามันฉาบกระดูกกระดูกมันก็ไม่รู้ว่าเนื้อฉาบอันนั้นก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยนะพิจานาออกพิจารณาเข้าอย่างนี้บ่อยๆ แล้วก็ยืดมาหาว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นจะเป็นยังไงอันนี้คื อ, อนะก็อดีตปเป็นยังไงอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้อันหนึ่งตัณหาก็ไม่เกิดใช่ไหมคือนี้ถ้านในแง่ของวิปัสสนาว่าเอะสีนั้นอะสมุทฐานคืออะไรประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างก่อนทั้งหมดนะเช่นหนังมีกี่รูปมันข้นมีกี่รูปเนื้อมีกี่รูปแล้วกี่สมุทฐานเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะทั้งหมดนั้นคือรูปายตนะสีเนี่ยนะ ในแง่ของอายตนะสีในแง่ขันเป็นรูปประขันเมื่อรูปประขันสิ่งนี้เป็นขันเพราะเป็นกองทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้เนี่ยนะอันถ้าผู้ใดเห็นตามเห็นสิ่งนี้ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราผู้นั้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในในทุกผู้เพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกเนี่ยนะ แ้วถ้าพิจารณาอย่างไรจรึงจะละความสําคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราได้ก็ตามเห็นโดยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นก็คือไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากลายไปดับเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือพิมาณาสิการอีกนายหนึ่งว่าเอออันนี้เป็นของร้อนเนีย สีนี้เป็นของร้อนหนึ่งถ้าสีเหล่านี้เนี่ยนะไฟคือราค่าจะเผาเพราะอาศัยสีแบบนี้นี่แหละราค่าเนี่ยเกิดมากเพราะปกตินี้สีที่หน้าปราถนาเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไฟคือราค่าเผาถ้าสีนั้นมันเปลี่ยนไปนะไอ้ที่งามนี่แหละมันถ้าเกิดมันไม่ยังไม่งามมนะันนไงจะสมมติสีหน้าปั๊บสีวมันขึ้นเต็มหมดหรือมันพองมาหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นโทสะมันก็เกิดขึ้นใช่ไหม ไฟคือโทสะก็เผาอีกไม่พิจารณาเหตุเกิดความดับอสาศทาอาทีนวะนิสารณะในสิ่งนั้นก็ไฟคือโมหะก็เผาอีกแล้วสีอ น, นั้นเนี่ยมีชาติอยู่ด้วยใช่ไหมมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดที่เกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีชราเป็นธรรมดาเป็นที่ตั้งแห่งโรคภยัยและเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาด้วยสีเดียวกันเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความโศกมาเท่าไหร่สมมติหน้าเราหน้าเดียวเนี่ยนะเอ๊คนร้องไห้ว่าเรามีกี่ครั้งเลยนะ เคยเสียใจเพราะเราหรือเราไปเสียใจเพราะสีหน้าอื่นๆเนี่ยกี่ครั้งอะนะเป็นที่ตั้งแห่งโศกะเป็นที่ตั้งแห่งปริเทวะเนี่ยนะแล้วตัวหน้ามีหน้าไหนไม่ทุกข์บ้างเอ้าเดี๋ยวก่อนรู้จังหวะบ้าง น, น, นะผมเคย <c oughs> ผมเคยผมเคยถอนฟันไอหลานผมคนเนี้ยด <c oughs> ูจินตนาการนะคือ <c oughs> คือผมก็ตรึกไปว่าอู้วันเด็กๆมันขาวมันสวยมันน่ารักที่อนึกถึงภาพว่าถ้าถอนมาแล้วมันมีรากวันนะ่ะมีี่มีอะไรเนะี่ยอ้มัมนมันปฏิกูลทันทีเลยะใช่การการคิดเนี่ยจึงจึงคิดให้เพียงพอแก่ว่าเป็นอิทธารมะนะแต่ว่าจิตไม่กำหนัดนะจะต้องเจริญให้พ อ, อตัวสำคัญก็คือเจริญให้พอพอที่จะตัด ฉันธราคะได้นะส่วนสําคัญอยู่ตรงนั้นแต่ใ น, ในเบื้องต้นอย่างที่กล่าวไปก็คือวิธีการใคร่ครววในเบื้องต้นแต่สําคัญที่สุดก็คือมันมันไข่ครัวนนะว่าไปจริงๆนะแต่ละคนในโลกนี้มันชอบหน้าอยู่ไม่กี่หน้าหรอกมันถ้าเอามาใคร่ครววสักสิบยี่สิบหน้าเนี่ยนะโอ้พอที่จะเบื่อ น, นายเกือบทุกทุ ก, ท, กทุกอารมณ์เลยนะก็หน้าที่ชอบชอบนะคนหนึ่งมันชอบใครชอบคนเป็นพันๆมั่งมีไหม มีเราก็ชอบกันอยู่ก็ไม่กี่คนอ่ะนะหน้าที่เป็นที่ประทับใจของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีไม่กี่เจ้านั้นถ้าสามารถเจริญได้อย่างนั้นอ่ะนะยิงก็ไม่ได้กรรมฐานลึกซึ้งหรอกก็เกสาโรมานาคาทันตาตะโจนัะนะ่นแหละก็ห้าอย่างนั้นทว่าไปก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อนหน่ายอ่ะนะถ้าถ้าถ้าเจริญอย่างพระพุทธเจ้าว่าจริงจอ่ะนะอย่างที่พระองค์แนะนําจริงๆก็พอจริงจคู่ควรกับการเบื่อนหน่ายได้จริงถ้าเจริญนะคุณจูนเะ ปกติไม่เจริญเนี่เพื่อนมาก็เลยคุยกับเพื่อนยาวเลยนะลืมไปเลยนะลืมงานตัวเองเลยนะมีเพื่อนเข้ามาแล้วเออแล้วๆไปยาวเล ย, ยครับคคือผมพิจารณาแบบนี้นะครับคนเนี่ยคนที่ ส, สวยๆทำงานเวลาของเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาผมจะนึกว่าถ้าลอกหนังออกเนี่ย แมงวานมันจะต อ, อมข้นมีแต่เลือดมีมดแบบต่ อ, ไอไนนะไรมมมยย ผ, มมผมคิดแบบนี้แล้ลวลตาหนามันก็หลตดไปถ้เกิดไปเห็นคนแล้วนึกรักขึ้นมาในคนที่สวยผมก็คิดแบบนี้บอกตาหนังหล่อแล้วแมงวานตอมขึ้นมันสวยกินหนังเมือนทำงายาบเวลาผมกิเลสมันเกิดผมกีคิดแบบนี้แล้วกิเลสก็เบาลงไปตาหนามก็เบาลงไปนะใครจะรับไปพี่เจรณาบ้างนะมีผู้แนะนำและ ว, วิธีกาจัด ก, กิเลส ชีวิตมันก็หมดรสชาติหมดนะหมดตันหาเลยก็จะสนุกได้ยังไงนะชีวิตเนี่ยนะถ้าไม่มีตันหามจะสนุกได้ยังไงแล้วปกติเขาบอกผู้ที่มีสิ่งใดถ้าเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมันเป็นความสุขใช่ไหมแต่นี้แบบไม่ใช่ตามคําสอนของเราบอกว่าเพลิดเพลินในสิ่งใดนั่นแหละถ้ารู้จักอารีนะว่าแล้วจะรู้สึกกัน แต่บางคนเนี่ยนะก็ยังไม่ยังไงก็ไม่ไม่มองในแง่าอาทีนวะสักทีเลยนะถ้าไม่มีอัธยาศัยนะเพราะว่าอาทีนวะจริงๆแล้วเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาผู้ที่เห็นสิ่งใดโดยอาทีนวะนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาเนะนี่ยนะถ้าไม่มองสิ่งนั้นโดยอาทีนวะก็ถ้าไม่มีอัธยาศัยที่จะอบรมมาอย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่ฐานะอิจิวดีเนี่ยนะมีแต่ความติดมีแต่ความพันมีแต่ความคล้อง อันนั้ก็ชมเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมาฟังคําสอนที่เป็นไปเพื่อตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยนะก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะฟังว่างั้นเถอะก็รับไม่ได้นะอย่างอย่างที่กล่าวเนี่ยนะอย่างวันนี้นะอย่างที่กล่าวไปหลายๆคําเนี่ยก็คนโดยมากรับไม่ได้นะแต่ว่ารับได้เท่านี้เอามาก็พอใจแล้วนะเขาทักเขาชมก็เนี่ยจิตชะชาอะไรนะเสียงมีจิตเป็นสมุทฐาน จากโลภะส่วนมากถ้าเขาด่าก็เออจิตเสียงอย่เหมือนกันมีโทสะเป็นสมุทฐานาโทสะหรือโลภะมันให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กว่ากันไป น, นะพระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างงี้นะนี่ถ้าเราจะเจริญเดินตามเขากระว่าไ ป, ไปตามเขาไปแต่นี่เราเห็นว่าคิดแบบชาวโลกทั่วๆไปนํามา ซ, นนะซึ่งทุกขนะนะซึ่งทุก